ลำดับนี้ก็จะขอนำเรื่องของพระทุดดงมาอธิบายตั้งเป็นหลักสูตรไว้เพื่อการปฏิบัติความจริงการทุดดงนี่มีอยู่ถึงสิบสามแบบ้วยกันในการปฏิบัติทุดดงก็ไม่ใช่หมายความว่าต้องเดินเข้าป่าเสมอไปแม้จะอยู่ในที่อาศัยอยู่ในวัดที่วัดของเราก็ทำได้ การปฏิบัติทุดงเป็นของดีจะต้องถืออารมณ์เป็นอุกริตคำว่าอุกริตก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องใช้วิธีทรมานตัวเสมอไปคือต้องใช้ให้พเหมาะพลนดีกับกับการที่เราจะทรงตัวอยู่ได้ทุดดงข้อที่หนึ่งทานเรียกว่าถือภาพปางสกุลเป็นวัด อันนี้ก็หมายความว่าผ้าที่เราจะพึงใช้ที่มีอยู่แล้วก็แล้วกันไปแต่ว่าเราจะงดเว้นจากการรับผ้าที่เขามาถวายภายนอกที่เราจะพึงใช้ถ้าบังเอิญผ้าขาดตกบกพร่องไม่มีจะใช้ก็ไปเก็บเอาผ้าที่เขาทิ้งแล้วมาปฏะติดประต่อยอมน้ำฝาดเป็นเครื่องหนุ่ม ตัวอย่างนี้ก็ได้แก่พระมาหารกระสบทันธรรมาสำหรับท่านที่จะขึ้นทุนดงอันนี้ใช้คำสมาทานว่าขะหาปฏิจิวรังปฏิหิปามิปังสกูลที่กังคังสมาธิยามิซึ่งแปลว่าเราของอดขหบดีจีวรเสียทั้งหมดสมาทานองค์ของผู้ถือผ้าปังสิกูลเป็นวัด สำหรับพระดวงข้อนี้ก็หมายถึงความมักน้อยสันโดษในเฉพาะสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ยงอย่าลืมว่าผ้าที่เราจะใช้ที่มีอยู่แล้วกันแล้วกันไปเราจะไม่รับผ้าที่บุคคลอื่นมาถวายในเฉพาะข้อนี้นสําหรับข้อที่สองท่านบอกว่าถือเพียงตรจีวรเป็นวัด ตอนนี้ก็มีผ้าอยู่สามตัวคือผ้าสบงหนึ่งตัวผ้าจีวรหนึ่งตัวผ้าสังฆติหนึ่งตัวและสำหรับอังสะการประคตถือว่าเป็นผ้าเกินสาหรับผ้าเกินในที่นี้พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไม่ใช่ว่าเราจะทิ้งไปเสียใช้ได้และโดยส่วนอย่างโดยเฉพาะเท่าที่เคยเห็นปฏิบัติกันมาก็ไม่จะเคร่งเกินไป จะพาะผ้าวัตสิกาสาอันนี้ใช้ได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงมีพระพุทธานุญาตให้ใช้ผ้าวัตสิกาสาสำหรับผัดอาบน้ำได้ไม่ต้องถึงกับแกล่ า, าอาบน้ำสำหรับทุนดงข้อดีสองนี้ก็มีคำสมาทานว่าจตุทะจีวรังปฏิคิปามิเตจีวระ เตจิวะริกังคังสมาธิยามิเขาก็ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าจตุ t h ะจีวรังปฏิคิปามิเตจิวะริกังคังสมาธิยามิงแปลว่าเรางดจีวรพื้นที่เหลือเสียพื้นที่สี่เสียเรางดจีวรพื้นที่สี่เสียสมาทานองค์ของผู้ถือผ้าไตรจีวรเป็นวัด คำว่าจีวรนในที่นี้เขาถือผ้าตั้งแต่กว้างหนึ่งคืบยาวหนึ่งคืบเป็นต้นไปนไมิชิหมายความว่าจะเป็นผ้าเฉพาะที่เป็นจีวรที่เราห่มได้เท่านั้นอย่าลืมแต่ว่าในที่นี้อย่าลืมว่าเราถือผ้าวัดศิกษาได้ผ้าสำหรับอาบน้ำ อย่าเคร่งตามตัวหนังสือจนเกินไปจนดูมีจงสังเกตพระพุท ธ, ธานุญาตเป็นสําคัญสําหรับทุกองข้อดีสามถือว่าเที่ยวบินาบาดเป็นวัดคําว่าเที่ยวบินระบาดเป็นวัดทีกับหมายความวาตั้งใจไว้ว่าเราจะบินาบาดเป็นปกติเว้นไว้แต่ป่วยไข้ไม่สบายหรือว่ามีเหตุจําเป็น ถ้ามีเหตุจำเป็นก็ดีเันฝนตกหนักลมพายุหนักอันตรายจะเกิดระหว่างทางน้ำท่วมเป็นไข้ไม่สบายแลวเกิดอาการทุดิลภาษยอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าง น, น, างนี้ถ้าจะฉันพระตาหารกับท่านทิตถวายถือว่าไม่ขาดตุดงอันนี้เพราะว่ามีความจำเป็น ถ้าหากไม่เป็นเช่นนั้นแล้วก็ตั้งใจไว้เสมอว่าเราจะบินบบาดเป็นปกติในความจริงตามที่บันดาพระทั้งหลายปฏิบัติกันอยู่อันนี้ก็ถือว่าเป็นทุดดงได้แล้วคือว่าเราถือบินบบาดเป็นวัดฉะนั้นเพื่อเพื่อความอยู่เป็นสุขเพื่อการมีอา น, นิสงส์ก็ควรจะตั้งใจสมาทานไว้ในเชา้ามืด้าสมาทานว่าอาติเล กาลาพังปฏิกิปามิบินดปาติกลางคังสมาธิยามินั่นแปลว่าเราของดอดเดเลกลาบเสียสมาทานของผู้ถือการบินดาบาัดเป็นวัดแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับท่านที่ถือบินดาบาดเป็นวัดนี่ท่านบอกว่าของงดเว้นอดเดเลกลาบ นี่หมายความมาของที่เขานํามาถวายนอกจากที่เราบินบบัดมาได้โดยการบินบำบัดของเรามีหลายสายด้วยกันที่ท่านผู้อื่นมีบินบบัดมาได้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์บินบบัดสายอื่นๆ น, นี่เรางดเฉพาะของที่เขานํามาถวายเป็นพิเศษนอกจากของบินบบัดเราไม่ฉันเราจะฉันแต่เฉพาะของที่เราบินบบัดมาได้เท่านั้น อันนี้สําหรับข้อนี้ระที่ถือบิณฑบาตเป็นวัดก็ให้ถือเฉพาะตามเกณฑ์ที่เราควรที่บิณฑบาตอยู่ทุกวันถ้าเราจะคิดว่ายังไม่เป็นทุดงก็ได้เพราะว่าใครเข้ามาถวายเราก็ยังรับอยู่เนี่ยหากว่าจะถือให้ถึงขั้นจริงๆก็ถือเฉพาะของที่ได้มาจากการบิณฑบาตเท่านั้น แต่ว่าทุดงทุกข้อถ้าว่าท่านจะปฏิบัติแล้วเขาได้บวโปรดบอกให้ผมทราบด้วยจะได้ให้ความสะดวกสำหรับทุดงข้อที่สี่เที่การเที่ยววินิจฉัยไปตามแถวเป็นวัดนี่หมายความว่าเราจะไปตามแถวแถวไหนลนะ่ะแถวเหนือก็เหนือไม่ไปใต้แถวใต้ก็ใต้ไม่ไปไม่ไปเหนือ หรือบางทีท่านก็ถือว่าเราจะรับบิณฑบาตในเพียงค้าไปเที่ยวไปอย่างเดียวไม่รับเที่ยวกลับหรือว่าเราจะรับจะเที่ยวกลับอย่างเดียวไม่รับเที่ยวไปในการจะทําอย่างนี้ต้องแจ้งให้คนทราบจะได้แจ้งให้ชาวบ้านเขาทราบนี่นฉะนั้นชาวบ้านที่เขาใสจะฉพาะสองเที่ยวหมายความอาจจะเป็นเที่ยวไปก็ได้เที่ยวกลับก็ได้เขาจะหาว่าพระของเราถีอตัวเกิดไป สำหรับทุดงข้อนนี้มีคำมีคาสมาทานว่าโลลุปจารังปฏิคิปามิสัปทานะจาริกังคังสมาธิามิจึงแปลว่าเรางดการเที่ยวโลเลเซียสมานทานองค์ของทุดงผู้ถือเที่ยวบินาบัิไปตามแถวเป็นวัด ถ้า่มโลเลกหมายถึงว่ารับดะทั้งเที่ยวไปในเที่ยว ก, กลับรับมาแล้วข้างหลังเขาเรียกก็ยังยังถอยไปรับแต่ว่าการบินาบาตตามปกติถือว่าทําได้เป็นการเจริญศรัทธาโดยเฉพาะท่านทิ่ถือธุปดงแบบนี้ต้องถือเฉพาะแถวไม้กวาจะรับเที่ยวไปหรือว่ารับเที่ยว ก, กลับเมื่อเวลารับมาแล้วเวลาใครเขาเรียกถอยหลังเราไม่ไป ถ้ามาเอินจะรับเที่ยวกลับถ้าบางไม่มีใครเขาใส่เที่ยววันนั้นยอมอดนี่ก็เทีกันพอสมควรนะเมื่อเที่กันพอสมควรอย่าให้ถึงกันเป็นการทรมานตัวนี่ทู ด, ดงข้อที่ห้าถือกันนั่งชั้นอาสนะเดียวเป็นวัดคําว่านั่งอาสนะเดียวเป็นวัดในหมายความการฉันเนี่ยเราจะชั้นที่เดียวอันเดียว ถ้าว่าอันเดียวในที่นี้หมายความฉันเฉพาะที่ตรงนั้นแต่ว่าไม่ได้ห้ามพัดอย่างอื่นเมื่อฉันอิ่มแล้วก็ถือว่าเลิกกันไปเป็นวาระเป็นวาระเดียวกันสำหรับคำสมาทานในข้อ น, นี้ท่านก็กล่าวว่านานาสนาโพชนังปฏิกิปามิเอกานิกาคังสมาธิยามิ จึงแปลว่าเรางดฉันต่างอาสนะเสียสมาทานของผู้ถือนั่งอาสนะเดียวเป็นวัดแต่ว่าการถือผู้การถือนั่งอาสนะเดียวเป็นวัดนี้ไม่ได้จํากัดอาหารอาหารที่เราได้มาในเวลาบิณฑบาตก็ดีหรือว่ามีคนมาถวายเพิ่มเติมก็ดีอันนี้เรารับได้แต่ถือว่าฉันเวลาเดียวเป็นสําคัญ สำหรับการฉันเวลาเดียวนี้ก็ต้องระมัดระวังต้องฉั้นเฉพาะพอเหมาะพอดีอย่าให้มันอิ่มเกินไปด้วยกว่าชันเผื่อเกรงว่าตอนเย็นจะหิวถ้าฉันอิ่มแล้วก็พยายามฉันให้มากกันว่าตอนเย็นจะหิวตอนนี้จะเป็นอันตรายจะหิวจริงๆแต่ว่าฉันพอดีพอดีพออิ่มไม่ใช่พร่องเกินไปไม่ใช่อิ่มเกินพอดีไปอย่างนี้จะพอเป็นการพอเหมาะพอดี ว่านี้ผมเคยปฏิบัติมาแล้วประมาณสิบปีถ้าว่าวันไหนฉันเผื่อวันนั้นแย่แต่มาถึงทุดดวงแบบถือทุดดวงแบบนี้แล้วจะลืมว่าเพสัตในตอนเย็นในใสในคนน้ํามันน้ำพึ่งน้ําอ้อยยิงกับฟงกาแฟนี่เราก็ยังฉันได้อยู่ไม่ได้ห้ามเสียเลยอทุดดวงข้อที่หกถือฉันจเจ้เพาะในบาทเป็นวัด นิถีฉันเฉพาะในบาตเป็นวัดนี่เขาไม่ได้บังคับว่าต้องฉันเวลาเดียวจะฉันสองเวลาสามเวลาก่อนเวลาวิกาเนี่ยเราทําได้แต่ว่าเราจะฉันเฉพาะสิ่งที่ก็ให้มาในบาตเท่านั้นถ้าสิ่งที่เขให้มานอกจากบาตเราไม่รับเราไม่ฉันถ้าบาังเอิญมีใครเข้ามามาเค้นเราก็รับได้แต่ว่าให้พระองค์อื่นฉันไป จงอย่าถือเคร่งจนกระทั่งคนอื่นเขามาประคริแล้วก็ไม่รับอันนี้ก็ไม่ดีเป็นการทำลายศรัทธาเป็นอันว่าเขามาประเคิเราใหม่นอกจากในบาทเราก็รับเพื่อเป็นการเจริญศรัทธาแต่ว่าของสิ่งนั้นเราถวายพระองค์ อ, ง อ, งอื่นไปในข้อนี้คาสมาทานมีว่าทุติยภาชานังปฏิคิ ป, ปามิ ปัตตะ บ, บินดิกังคังสมาธิยามิซึ่งแปลว่าเรางดภาชนะที่สองเสียสมาทานองค์ของผู้ถือการฉั้นเฉพาะในบาทเป็นวัดนี่เป็นอันว่ามันมีอยู่มาในบาทแล้วนะถ้าบังเอิญอย่างที่วัดเรานี่ผมจะให้ความสะดวกถ้ามีใครเขาไมา่ได้ใส่อาหารมาในบาท กลับมาก็พรอาบบัดมาวางวางไว้ในให้เจ้ได้ให้พระหรือว่าเจ้าหน้าทีช่วยจัดอาหารใส่ไปตามสมควรไม่ใช่ว่าได้แต่ข้าวมาแล้วก็แล้วไปแต่ถ้าว่าอาหารประเภทนั้นเขาจัดให้เราเราไม่ได้หามาใหม่ไม่ได้ถือว่าบกกร้องในข้อนี้ถ้าจะถือตามแบบนี้ก็ต้องถือตามตรงแบบนี้ ไม่เคยถือว่าจะมีอาหารที่อื่นมาสักตะไรก็ตามเรามีข้าวเปล่ามาแล้วเราก็ไปหยิบโนนหยิบนี่เอาตามชอบใจมาใส่บาทอย่างนี้ไม่ถือเป็นทุ ด, ดงกวัตในข้อนี้ถือว่าไปการกินข้าวสำรวมไม่จัดเป็นทุดดงซึ่งสรับทุดดงข้อที่เจ็ดท่านาันถือท่านบอกว่าถือการห้ามพัด อันนำมาเพื่อเมื่อภายหลังเป็นวัดนี่หมายความว่าเวลาที่เราได้รับอาหารมาแล้วอันนี้ก็ไม่จะถือว่าฉันในบาดคืออาหารที่ได้มาเท่าไหร่เราจะฉันเท่านั้นถ้าเหนือจากนั้นนอกที่จะได้มาแล้วคนอื่นเขามาถวายที่หลังเราไม่ฉันถ้าไม่ฉันเวลาเข้าประเคนก็ควรจะรับประเคชนชาวบ้านก็ไม่รู้ ตะเคนแล้วก็ให้องค์อื่นฉั้นไปข้อนี้มีคำสมาทานว่าอาติลิตะโภชนังปฏิคิปามิคลุปัจ ช, ชาพติกังคังสมาธิยามิซึ่งแปลว่าเรางดโพชนะอันเหลือเฟือเสียสมาทานองค์แห่งผู้ห้ามพัฒนา ม, มาเมื่อภายหลังเป็นวัด นี่หมายความว่าเราฉันไม่ใช่ภาชนะเดียวมีสำรับฉันได้มีภาชนะอื่นวางอยู่ได้ของนอกบาทไ ม, ไม่จำไม่จาเป็นเฉพาะฉันเฉพาะขอ ง, ของในบาทแต่ว่าฉันเฉพาะของที่ได้มาเท่านั้นขณะที่เราก่อนจะนั่งลงไปเนะี่ยมันมีของอะไรอยู่บ้าง ที่เขามาวางไว้เราฉันเท่านั้นเวลาที่นั่งลงไปแล้วถ้ามีเขามาถวายอีกเราไม่ฉันยังมีความจริงก็นั่งรวมกับชันพระธรรมดาได้แต่ว่าเราถือข้อนี้เป็นสําคัญถ้าเวลาชาวบ้านเขามาจะไปเคียงของอ่าไปบอกว่าโยมเาถ้มาไม่ฉันอันนี้ไม่คกรเพราะพระอื่นท่านฉันอย่าไปห้ามพัดเป็นอาภิมารรับเพื่อการเป็นการเจริญสัทธาแล้วเราก็ไม่ฉัน แปดถือการอยู่ป่าเป็นวัดนี่หมายความว่าอยู่เฉพาะในป่าเท่านั้นเรือความจริงการอยู่ในป่านี่คำว่าเป็นวัดนี่มันถอยไม่ได้ต้องอยู่เฉพาะในป่าเป็นการตั้งใจนั่นเองคําสมาทานว่าอย่างนี้คาบันตะเสนาสนังปฏิกิ ป, ปามิอรันยิกังคังสมาธิยามิ แปลว่าเราอดเสนาสนะชายบ้านเสียสมาทานองค์ของผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดแต่ว่าการอยู่ป่าเป็นวัดนี่ก็เดินออกมาปฏิบัติที่บ้านได้ไม่ใช่ถือว่าเมื่ออยู่ป่าเป็นวัดแล้วก็โผล่จากป่าไม่ได้เลยนี่จะให้มันเคร่งเกินไปเอาพอดีพอดีตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนํา แต่หาว่าเราอยู่ป่าใหญ่ไม่ได้แล้วก็อยู่ป่าเล็กอย่างป่าเล็กข้างๆวัดของเรานี่ถ้าจะขออนุญาตแล้วก็ถือเป็นวัดอยู่ได้ไปสร้างกระท่อมอยู่ก็ได้ไปกางโดดอยู่ก็ได้ไอ้เรื่องโดดนี่มันไม่มีความสําคัญโดดเขมีไว้ป้องกันแดดป้องกันลมป้องกันยุงป้องกันเหลือบ ถ้ามาเออเราจะสร้างกระท่อมอยู่ได้เราก็สร้างกระท่อมอยู่ทํำมันเพลินควหมาะวอ ด, ดีอย่ามันใหญ่มันโตเกินไปนาทุดดงข้อดีเก่าอยู่ถือโคนไม้เป็นวัดอันนี้จะว่าจะอยู่ในป่าอยู่ทิศไหนก็ตามเราไม่เอาละ่ะเราจะไม่เข้าทำเราจะไม่กลางกรดกลางแจ้งเราอยู่ถืออยู่โคนไม้เป็นประจําเอาโคนไม้เป็นที่พึง คำสมาทานในข้อ น, นี้ก็มีอยู่ว่าฉันนังปฏิคิปามิลุขโมลิกลางคังสมาธิยามิฟังใหม่ฉันนังปฏิคิปามิลุขโมลิกลางคังสมาธิยามิจึงแปลว่าเรางดที่มงที่บางเสียสมาทานองค์ของผู้ถือการอยู่โคนไม้เป็นวัด ในการอยู่คนไม้เป็นไว้ก็ไม่ใช่ว่าจะออกจากคนไม้ไม่ได้ได้เดินไปโน่นเดินไปนี่ได้แต่ว่าที่อาศัยจริงๆของเราต้องเป็นคนไม้แต่มาถือแบบนี้แล้วจะไปทัดสร้างกระท่อมอยู่จะไปกลางลดไว้จะเที่ยวทำที่มงที่บางไว้บางจังหวะบางเวลาเราจะไปอยู่ในที่นั่นอันนี้ถือว่าขาดเมื่ออยู่คนไม้ก็ต้องอยู่กันจริงๆที่คนไม้ ถือตามความสบายที่เราจะพึงทนอยู่ได้เซมรับธุดงค์ข้อดีนสิบถืออยู่ในที่แจ้งเป็นวัดอันนี้ต้องใช้ตรกรดสำหรับกันแดดกันลมสมาทานว่าชั้นั้นนันจะลุขโมลันจะปาติกิปามิอพโภกาสิกังคังสมาธิยามิ ยิงแปลว่าเราวัดที่มุงที่บังและโขนไม้เสียสมาทานองค์ของผู้ถือการอยู่ในที่แจ้งเป็นวัดที่มุงที่บังในหมายความว่าที่มุงที่บังอันเดิมที่มีอยู่จะเป็นเพิงกลางแจ้งอาคารกลางแจ้งมีกระแอหรือว่าหลังคากลางแจ้งมันเป็นของที่มีอยู่เดิมแล้ว แต่ว่าเราจะใช้กรดได้แต่ว่าปากกรดในกลางแจ้งไม่อิงคนไม่ไม่อิง ไ, ไม่อิงเพิงไม่อิงฝามิอิองรังคานี่สาหรับทุต ด, ดงข้อที่สิบเอ็ดถืออยู่ป่าชาเป็นวัดนี่เราจะถือว่าเราจะอยู่ชนะเฉพาะในป่าชาที่เขาเก็บผีเท่านั้นเราอยู่เป็นปกติแต่ว่าการบินทร บ, บทนะัดน่ะออกมาบินท บ, บ่ายข้างนอกได้ แต่เวลาอยู่จริงๆอยู่ข้างในโดยเฉพาะข้อนี้สมาทานว่าอาสุสานงปฏิกิปามิโสสานิการคังสมาธิยามินัแปลว่าเรางดที่ไม่ใช่ป่าชาเสียสมาทานองค์ของผู้ถือการอยู่ป่าชาเป็นวัดก็ไม่มีอะไรมาก นี่สำหรับทุนดวงข้อที่สิบสามถือการอยู่ในเสนาสนะอันท่านจัดให้อย่างไรเป็นวัดนี่อย่างของเรานี่สถานที่อยู่นี่ผมเป็นผู้จัดให้แล้วเราก็ไม่ทะเยอทะยานอยากจะไปอยู่ที่โน่นอยากจะมาอยู่ที่นี่แต่อย่างนี้เราก็ถือว่าเป็นทุนดงได้เพราะเลือกเองไม่ได้อยู่แล้ว สำหรับทุดงข้อนี้เราก็ควรสมาทานเป็นประจำว่าเสนาสนะโลลุ ป, ปังปฏิคิปามิยาถาสัธถติกลางคังสมาธิยามินึ่นแปลว่าเรางดความโลเลในเสนาสนะเสียสมาทานของผู้อยู่ในเสนาสนะอันท่านจัดให้อย่างไรที่หมายความว่า เขาจัดเราให้เราอยู่ที่ตรงไหนเราก็อยู่ที่ตรงนั้นไม่ไปขอจะอยู่ที่โ น, น่นไม่ไปขอที่อยู่ที่นี่อันนี้เหมาะสําหรับนักบทที่บทผู้มุ่งดีในพระพุทธศาสนาสําหรับการอยู่ในเสศนาสนะเราจะเลือกไม่ได้เพราะว่าเราไม่ใช่ผู้สร้างเราผู้สร้างเราก็ยังเลือกไม่ได้ถ้าเทในข้อนี้ นี่ต้นตรงข้อดิบสามถือการนั่งเป็นวัดการถือการนั่งนี่ต้องถือตามเวลาสมควรไม่ใช่ว่าจะถือกันทั้งปีทั้งเดือนไม่เป็นเรื่องเอาเฉพาะเวลาก็ได้เวลาที่เราจะเจริญกรรมฐานเราต้องการนั่งอย่างเดียวเวลาที่เราจะไข่ครวนวิปัสสนาญาณก็เหมือนกันก็เป็นการเจริญพระกรรมฐาน เอาเฉพาะเวลาหือว่าเวลาที่เราจะฟังคำสอนเราคิดว่าเวลานี้เราจะถือการนั่งเป็นวัดในการถือการนั่งเป็นวัดนี่ท่านถืออย่างนี้นั่งตัวตรงตรงหรือไม่ตรงค้อมบ้างก็ได้แต่ว่าเราไม่เอามือยันอย่างนี้ถือว่าเป็นอุกฤษถ้าเราเอามือยันลงไปถือว่าเป็นการเพลาตัวลง แล้ว่าหย่อนไปหน่อยแต่ถ้าว่าถ้าหักว่าเอาหลังแตะพื้นมารลยเที่าเป็นการขาดการถือเป็นนั่งเป็นวัดแบบนี้ก็ควรจะสมาทานเฉพาะเวลาอย่าไปว่ากันทั้งวันนั้นคืนมันเป็นอัตาตาคิริมฐานนโยมเป็นการทรมานตัวไม่สมควรแล้วก็ยังไม่เป็นเหตุมรมลุมรรคผล ระดงในข้อ น, นี้มีคำสมาทานว่าเสยยังปฏิกิปามิเนสถิกลางคังสมาธิยามิซึ่งแปลว่าเรางดการนอนเสียสมาทานอง ค, งคง์ของพวกถือการนั่งเป็นวัดรวมความว่าทุดงนี้มีพระมหากรศกในสมัยพระพุทธเจ้าท่านพุ้นผู้ปฏิบัติเป็นผู้นำ ถืออยู่การอยู่ป่าเป็นวัดถือทุดดงเป็นวัดและในขณะเดียวกันบริษัทคือว่ารศิกขอพระมหากษัตริย์ก็กมีไม่น้อยมีประมาณห้าร้อยเป็นประมาณบางทีก็กว่าบ้างบางทีก็หย่อนไปบ้างการถือทุดดงนี่ท่านทั้นหลายจะได้สราบว่าคำว่าทุดดงนี่ความจริงไม่ต้องเข้าป่าเสมอไป ไม่ต้องแบกบกรดเสมอไปเราอยู่ในที่วัดเราก็ทำได้ทั้งหลายข้อเว้นไว้แต่ข้อทีถือว่าอยู่ป่าเป็นวัดเท่านั้นหากว่าเราจะถือการอยู่กลางแจง้งเราก็เอากรดไปปักที่ใดที่หนึ่งที่มันไม่ไกลจนเกินไปไม่ใกลจ้จนเกินไปจากวัดหรือว่าเราจอยู่คนไม้ก็เลือกจากคนไม้ที่สงัด ในการอยู่คนไม้นี่ผมถือว่าคุณอยากจะขอแนะนำว่าในยามปกตินี่เราทำได้เหมือนกันนะั่งเลือกคนไม้ เ, เป็นที่สงัดสมาทานเฉพาะเวลาเนี่ยแบบหย่อนๆย่อนนะเอาแบบหยนะ่อบบนหย่อนดูต้นไม้ต้นไหนเป็นที่สงัดของเราแล้วก็ถือว่าตั้งแต่เวลาเท่านี้ถึงเวลาเท่านี้ <c oughs> เราจะอยู่เฉพาะที่โคนไม้เท่านั้นเราจะไม่ไปไหนจะนั่งอยู่ที่นั่นจะเดินจงกรมอยู่ที่นั่นเราจะไม่ไปในที่อื่นคือหมายหมายความว่าเราจะไม่ไปอยู่ในที่อื่นนอกจากโคนไม้นั่งก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้เดินจงกรมออกมานอกโคนไม้ก็ได้แต่ว่าเวลาที่เราจะพักเราก็พักโคนไม้ อย่างนี้ถ้าจะเราจะไม่อยู่เป็นวัดจริงๆ้ำว่าวัดเนปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่อยู่เป็นปกติจริงๆก็ได้ประกาศเฉพาะเวลาคือตั้งใจสมาทานเฉพาะเวลาว่าตั้งแต่เวลาเช้าถึงเวลาเที่ยงหรือจากเวลาเที่ยงถึงเวลาบ่ายจากบ่ายถึงเวลายเย็นแต่ว่าถ้าจะทาอย่างใดอย่างหนึ่งในทุกดงที่สิบสามจะเขาได้โปรดบอกให้ผมทราบด้วย ให้การบอกให้ทราบนี่ไม่ใช่เป็นการบังคับว่าถิว่าหมายเป็นผู้บังคับบัญชาอะไรอะไรจะต้องบอกกันเสียหมดไม่ใช่อย่างนั้นที่บอกให้ทราบก็เพื่อจะให้ความสะดวกหรือต้องการให้คําแนะนําในการปฏิบัติในทุน ด, ดงนั่นเองถ้าเราสำหรับการแนะนําเรื่องการทุนดวงมองดูเวลาก็หมดก็พอดีหมดเรื่องทุนดวงพอดี ต่อไปก็โปรดตั้งใจฟังคำแนะนำในการปฏิบัติตทุดตดงต่อไป